คนเรามีความทุกข์ร้อยแปดพัน้าประการแต่ถ้าจะสรุปกันแล้วเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นสี่เรื่องใหญ่ๆอันที่หนึ่งคือเรื่องร่างกายร่างกายนี่หมายถึงสุขภาพด้วยแล้วก็สมัยนี้ก็จะรวมถึงเรื่องสวดทรงรูปร่างหน้าตานะผิวพรรณ คนก็ทุกข์กันเพราะเรื่องนี้มากถึงแม้มีสุขภาพดีแต่ว่าสัดส่วนส่วนทรงไม่ถูกใจนะเป็นเสิวผิวเป็นกระนะก็เป็นทุกขนะ์นอกจากเรื่องร่างกายแล้วก็เรื่องงานการนะถ้านักเรียนก็หมายถึงการเรียนด้วย งานการมีอุปรสรรคนะหรือว่างานไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าไม่ได้รับเลื่อนขั้นนะเลื่อน ง, งานเลื่อนตาแหน่งการเรียนมีปัญหานะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งอันที่สามก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง นะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะอาจจะรวมถึงเงินเดือนอาจจะรวมถึงหนี้สินนะอาจจะไม่ได้ขาดแคลนแต่ว่าได้น้อยไปนะคนที่ทำบุญก็มักจะอธิษฐานเรื่องนี้แหละแล้วก็รวมทั้งสองเรื่องที่เหลือด้วย อันที่สี่นี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้คนหรือความสัมพันธ์ตั้งแต่เพื่อนพ่อแม่คนรักลู ก, ลกเจ้านายนะหรือเพื่อนบ้านอาจจะเขาอาจจะไม่ถูกใจเราหรืออาจจะพูดจาตำหนิติชินเรานินทาเรา ไม่เป็นธรรมกับเราหรือว่าพัดพรากตายจากเราไปนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็จะรวมถึงเรื่องหน้าตาด้วยเพราะหน้าตานี่มันก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้คนคนที่ยกย่องเชิดชูเราก็ทำให้เรามีหน้ามีตาใครที่ตำหนิเราก็ทำให้เราสึกเสียหน้า ดูถูกเย็ดยม้มเราก็ทำให้เราเสียหน้าถ้า ล, ลองดูเธอนะ <c oughs> ความทุกข์ของคนในโลกเนี่ยหกพันกว่าล้านคนถ้าจะสรุปแล้วเนี่ยก็เหลือก็หนีไม่พ้นสีเรื่องนี้รวมทั้งตัวเราเองด้วยถ้าตัวเราเองเนี่ยลองดูนะที่เราทุกข์เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นสีเรื่องนี้หรอก <c oughs> ประมาณเก้าสิบเก้า้าปอร์ซนมันก็วนเวียนอยู่กับสีเรื่องนี้แหละนะ แต่ทั้งหมดที่สังเกตดูนั้นมันเป็นเรื่องนอ ก, นอกมันเป็นเรื่องที่อไม่ใช่เป็นเรื่องจิตใจนะแต่อย่างที่เราคงทราบดีอยู่แล้วว่าคนเราเนี่ยมันทุกข์จริงๆคือทุกข์ที่ใจและเหตุใดสีเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้เกิดความทุกข์ที่ใจได้สรุปอย่างย่อยๆก็เหลือแค่สองเท่านั้นแหละนะคือยึดกับอยากนะความทุกข์ของคนทั้งหมดในโลกนี้นะ ต้นต่อสาเหตุเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นกับที่แค่คำสองคานี่แหละคือยึดกับอยากนะพอเราอยากเพียงแค่เราอยากเท่านั้นแหละนะมันก็เป็นทุกข์แล้วนะเพราะอยากนี่มันทําให้เราดิ้นเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่อยากระหว่างที่ยังไม่ได้ก็ทุกข์และเมื่อได้มาแล้วก็สุขประเดาประดาว แต่แล้วก็ต้องทุกข์ก็เพราะว่ามีภาระที่ต้องดูแลรักษาไม่ให้ใครออกไปรักษาไม่ให้มันเสือ่อมมันเสียแต่ไม่ว่าจะรักษาอย่างไงมันก็ต้องมีอันเป็นไปพัดพรากหายจากเราไปเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีมานั้นเนี่ยหรือสิ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้มาเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่ยิบยืมมาไม่ว่าจะเป็นเข้าของทรัพย์สมบัติรูปร่างหน้าตา สุขภาพร่างกายตำแหน่งฐานหนะ้าชื่อเสียงพวกนี้หยิบยืมมาทั้งนั้นหรือว่าเป็นเรื่องที่คุณหนึ่งเขาให้มาอะไรที่คุณหนึ่งเขาให้มาเขาก็เอาไปจากเราได้ชื่อเสียงก็เป็นสิ่งที่คุณหนึ่งเขาให้เรามาวันดีคืนดีเขาก็ถอนไปดึงไปนะตำแหน่ ง, ง ก, นก็เหมือนกัน สุขภาพร่างกายก็เหมือนกันยืมมาทั้งนั้นเพราะไม่ว่าจะรักษาด้วยความหวงแหนเพียงใดนะมันก็ต้องพบกับความพัดพรากสูญเสียในที่สุดและเนื่องจากยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยนะมันก็เลยเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าแม้แต่สิ่งแม้สิ่งนั้นจะสูญไปแล้ว ก็ยังวางใจไม่ได้ยังปล่อยไม่ได้การที่ทจะแงะมันออกมานี่กลายเป็นเรื่องยากบางทีเพียงแค่ทำใจอย่างเดียวมันทำไม่ได้เพราะว่ามันยึดเอาไว้เหนียวแน่นมากเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนเนี่ยมันมีแผ่นดินไหวที่เมืองโกเบประเทศญี่ปุ่น แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแก่สูญเสียหมดเลยนะไม่ใช่แค่สูญเสียบ้า น, านไม่ใช่แค่สูญเสียทรัพสมบัติแก่สูญเสียสามีและภริยแล้วก็ลูกแม้ว่าจะรอดมาได้นะอย่างปฏิหารแต่ว่าก็ทําใจไม่ได้กับความสูญเสียหมดเนื้อหมดตัวหมดทุกอย่าง บางคนเขาอาจจะมาว่านี่โชคดีนะที่ฉันรอดมาได้แต่ว่าคุณป้าคนนี้แกทำใจไม่ได้ก็ไปใครต่อใครญาติก็ก็บอกให้ปล่อยวางปล่อยวางแกก็ปล่อยไม่ได้แกก็ตั้งใจอยากจะปล่อยวางก็ปล่อยไม่ได้มันยึดเอาไว้ใจก็อยากจะปล่อยนะแต่ว่ามันก็หัวระลึกนึกถึง ทรัพสมบัติเอ่ยสามีเอ่ยลูกเอ่ยเป็นปีปีนะก็ยังเต็มไปได้วยความหม่นมองและเศร้าโศกแล้ววันนึงแกก็ได้ข่าวว่าที่วัดหนึ่งแถวเกียวโตนี้เป็นวัดที่คนเนีย่ยนิยมมาปล่อยเคราะห์สอดาอโชคอันนี้พูดแบบไทยๆนะ เป็นวัาที่นิคนนิยมมาปล่อยเคราะห์สะเดาะโชควิธีการก็คือว่ า, าคือวันนี้อยู่บนอยู่บนหน้าผาเนะเวลาใครต้องการจะจะสะเดาะโชคเนี่ยก็จะเขียนไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่ตัวเองเจอเขียนใส่จานดินเผาเช่นความเจ็บป่วยนะหรือว่า ธุรกิจที่ไม่เจริญก้าวหน้าก็<ส>าเขียนใส่ใส่จานแล้วก็โยนลงหน้าผานะเป็นทำนองว่า<ส>ก็ขอให้มันพัดพรากจากเราเสียทนะีคุณป้าคนนี้แกก็แกก็ลองดูบ้างเพราะว่าแกทำาอะไรวิธีแล้วแล้วแกก็ไปที่วัดนี้นะแกก็เขียนนะ แต่แกไม่เขียนเหมือนคนอื่นนะแกเขียนว่าเนี่ยแกเขียนบ้านกเกียนคาว่าบ้านเนี่ยที่ที่ที่จานเนี่ยแล้วก็พอจะพอจะทิ้งลงไปที่หน้าผาก็บอกว่าเนี่ยขอบใจนะที่อยู่กับฉันมานานตอนนี้ได้เวลาที่เจ้าจะต้องไปจากฉันแล้วแล้วก็โยนรถยนต์ก็เขียนคําว่ารถยนลงไปแล้วก็ พูดเหมือนกันว่าเนี่ยขอบใจนะที่ได้มาอยู่กับฉันมานานตอนนี้ได้เวลาที่จะออกไปจากใจฉันสักทีแล้วก็โยลงไปพอถึงสามีก็เหมือนกันนะบอกว่าขอบคุณนะที่ได้มาอยู่กับฉันถึงเวลาที่คุณจะต้องไปจากฉันแล้วละแล้วก็โยลงไปจนถึงคนสุดท้ายคือลูกเนี่ยก็เขียนคำว่าลูกเขียนชื่อลูกลงไปแล้วก็โยลงไป บอกว่าคราวนี้มันได้ผลนะคือหลังจากวันนั้นแล้วเนี่ยแกรสึกแกเบามากเลยเบามากเหมือนก็ว่าได้ไ ด, ได้ล่ำลาได้อำลาแล้วจริงๆเขาไปนานแล้วนะทรัพย์สมบัติสามีลูกนี่ไปนานแล้วแต่ว่ามันยังค้างที่ใจแต่พอได้ทำพิธีกรรมแบบนี้เนี่ย มันกับช่วยนะคุณป้าคนนี้ให้ปล่อยวางได้คนหนึ่งเขาเขียนสิ่งที่ไม่ดีลงไปในในในจานแบนในใ น, ในจานเหล่านั้นแต่แกเขียนู้วนแตเขียนสิ่งที่ดีๆซับสมบัติ ส, สามีลูกแล้วก็ทิ้งลงไปบางทีคนเราก็ต้องการแบบนี้นะก็คือพิธีกรรมหรืออุบายบางอย่างที่ช่วยทำให้ปล่อยวางได้ แต่ว่าถ้าหากว่าเราได้ฝึกจิ ต, จตนะนะโดยเพราะการเจริญสติเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีวิธีที่ดีกว่านั้ น, น, นในการที่จะปล่อยวางในการที่จะทำให้สิ่งที่เรายึดเอาไว้เนี่ยมันคลายออกไปจากใจให้สังเกตดูดีๆนะว่าความทุกข์ทั้งปวงของเราเนี่ย มันนี้ไม่พ้นเรื่องความยึดและความอยากเงินก็หายไปแล้วนะโทรศัพท์ก็เสียไปแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังไม่ปล่อยใจมันยังยึดเอาไว้อยู่เสียดายอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยเรื่องที่ผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วเราซื้อของแพงกับเพื่อนก็ซื้อไปแล้วนะก็ไม่ยอมปล่อย งานการที่ล้มเหลวมก็ผ่านไปแล้ ว, ลวก็ยังไม่ยอมปล่อยยังยึดเอาไว้นะรวมทั้งเรื่องอนาคตที่เราปรุงแต่งขึ้นมาว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และคนเราไม่ได้ยึดเฉพาะเรื่องอดีตกับอนาคตแม้แต่เรื่องที่มันปรากฏอยู่ตรงหน้าบางทีเราก็ยึดนะยึดด้วยความไม่รู้ยึด สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากมูลเหตุที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้ายกตเวียงง่ายๆเนี่ยเราใครที่นอนอยู่ในกุฏิคนเดียวกลังคืนเนี่ยนะที่นี่บางทีมันมีเสียงเสียงเสียงคล้ายๆสัตว์โดยเฉพาะหน้าแรงนี่ยจะจชัดเจนมากแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสัตว์นะมันคล้ายๆเสียงคนเดินอยู่รอบๆกุฏิคนที่ไม่รู้ธรรมชาติของป่าก็จะไปคิดว่าเนี่ยเป็นเสียงคน เป็นผู้ประสงค์ลายนะที่ที่มันเสียงหนูนะเสียงหนูแต่ว่าไปไปปรุงมันขึ้นมาแล้วก็ไปยึดเอาความไปยึดเอาสิ่งที่ปรุงขึ้นมาว่ามันเป็นคนมันเป็นหรือมันเป็นผีพอไปยึดเอาเข้าก็ทุกเลยนอนไม่หลับสมัยก่อนที่นี่เนี่ยตอนที่เคยมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยอาตมาพักที่หอไตหอไตสมัยก่อนมันอยู่ มันอยู่ข้างบนนะอยู่เป็นเขานี่ย้ายลงมาเมื่อสักหกเจ็ดปีก่อนก่อนหน้านี้หอไตเล็กกว่านี้ครึ่งหนึ่งก็อยู่ข้างบนวันแรกที่มาพักวันแรกเลยที่นี่ที่มาสุกโตเมื่อยี่สิบเจ็ดปีก่อนเนี่ยก็จะมีคนบอกเลยว่าถ้าดินเสียงร้องเหมือนผู้หญิงนะไม่ต้องสนใจนะเสียงร้องตรงหลังหอไตเนี่ยมันมีต้นไทรต้นใหญ่ มีพระม า, มาเตือนแม่บอถ้ามีเสียงร้องเหมือนผู้หญิงไม่ต้องสนใจแล้วมันก็มีมาจริงนะแต่เรารู้ล่วงหน้าแเรามันเป็นเสียงชมนตะมีคนบอกไว้จากคนไม่รู้เนี่ยก็จะตกใจก็คิดว่าเสียงเหมือนกับผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือนะผู้หญิงท้องด้วยปรุงแต่งเข้าไปใหญ่นะท้องตายท้องกลมด้วยเอาคิดไปปรุงเข้าไปเลยคนนี้นะปรุงทั้งนั้น ไม่ใช่อดีตอัพนพิจาราคต น, นะเป็นเรื่องเฉพาะหน้าแต่ว่าปรุงปรุงเอาปรุงจากเสียงที่ได้ยินนะบางทีเสียงดั ง, ดงนะงเสียงโทรศัพท์ดังมาจากใครบางคนในในในศาลา น, นี้หรือเสียงมอเตอร์ไซค์ดังมาข้างล่างเนี่ยพอใจมันไปยึดเข้าที่เสียงนั้นเนี่ยบางทีไม่ต้องปรุงนะนะ เพียงแค่ยึดหรือปักใจอยู่กับเสียงนั้นเนี่ยมันก็ทุกทันทีเลยเพราะว่ายิ่งยิ่งปรุงยิ่งยิ่งปักยิ่งยิ่งจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นเสียงก็ยิ่งดังแล้วมันก็ยิ่งรบกวนโสตประสาทแล้วที่ยิ่งปรุงแต่งเข้าไปอ่าว่าทำไมเจ้าของไม่ปิดโทรศัพท์ทําไมทําไมไม่รู้จักกาลเทศะแบบนี้ พอคิดแบบนี้เข้าไปมันก็ยิ่งหมุดหงิดเข้าไปใหญ่เท่านั่งที่เสียงอาจจะไม่ดังเท่าไหร่แต่พอไปปักใจอยู่กับเสียงนั้นเนี่ยฟังที่อาจมาพูดไม่ได้ยินแล้วทนั่งที่เสียงที่อาจารย์มาพูด จ, จะดังกว่าเสียงโทรศัพท์ดยสันนี่เพราะไปยึดเอาไว้ยึดอารมณ์ปัจจุบันนี่ก็ทุกนะไม่ว่าจะเป็นเสียงที่อยู่นอกตัวหรือแม้แต่ความจ็บความป่วยที่มันเกิดกับเรานะเกิดสุขเกิดทุกขเวทนาขึ้น แทนที่เราจะรู้มันเฉยๆดูมันเฉยๆเราไปเสวยนะภาษาพราะเรียกว่าเสวยเวทนาคือไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่รู้มันเฉยๆแต่ไปเสวยเวทนานีมันก็จะเกิดอาการติดพันในเวทนานั้นท้านั้งที่อยากจะผลักมันออกไปแต่พอไปเสวยไปไ ป, ไปจมหายเข้าไปในเวทนานั้นมันก็กลายเป็นการยึดอ่าท่านใช้ว่าว่าติดพันติดพันเวทนาก็คือยึดนั่นเอง ใจอยากจะผลักสามันออกไปแต่ว่ามันเสวยไปเสร็จแล้วแต่ที่จริงล้วไม่ใช่เราสวยเวทนานะเวทนามันเสวยเรามากกว่านะี่ยมันก็เลยติดพันดึงไม่ออกก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่อยากจะผลัก <im it> ยิ่งอยากจะผลักออกไปมันก็ยิ่งยึดนะนี่เป็นธรรมชาติของจิตเลยยิ่งอยากจะผลักออกไปมันก็ยิ่งยึดนะเห <im it> มือนกับเราอยากจะผลักรถอยากจะเข็นรถที่ขวางหน้าบ้านเราเนี่ย รถมันขวางหน้าบ้านเราอยากจะผลักมันอยากจะเข็นมันออกไปแต่ยิ่งเข็นเนี่ยตัวเราก็ยิ่งแนบชิดใกล้กับรถนะเรานึกภาพเราเข็นหลังรถเนี่ยรถมันรถมันไม่ค่อยเคยเยือกเราก็ต้องยิ่งออกแรงมากพอออกแรงมากเนี่ยตัวเราก็จะค่อยๆใกล้แล้วก็แนบชิดกับตัวถังรถยิ่งผลักยิ่งอยากผลักมันก็ยิ่งแนบชิดตอนนี้เรียกว่าเกิดความยึดติดหรือเวลาเราเกลียดใครสักคนที่เราไม่อยากนึกถึงเนี่ยมันยิ่งยิ่งนึก ยิ่งเกียดยิ่งอยากผลักแกปก็ยิ่งยึดก็ยิ่งนึกถึงนะอย่างที่เคยเล่าว่ามีคนเขาทดลองให้อาสาสมัครแต่ละคนเนี่ยอยู่คนเดียวในห้องแล้วก็บอกว่าคุณจะคิดอะไรก็ได้นะแต่คุณห้ามคิดถึงมีขาวมีโคโลกนะคุณจะคิดอะไรก็ได้คุณห้ามคิดถึงมีมีโคโลก ถ้าคุณคิดเมื่อไรเนี่ยคอยคุณกดกลิ่งทันทีนะนะพอให้คําสั่งนี่ไม่เท่าไหรเนี่ยเสียงกลิ่งดังระงมเลยนะนะพอยิ่งห้ามไม่ให้คิดมันยิ่งคิดนะ่ะยิ่งอยากจะผลักออกไปมันยิ่งยิ่งคิดเขาเคยเขาเคยทํากับคนฝันเอาคนเอาคนอาสาสมัครมากลุ่มหนึ่งประมาณอาก็หลายสิบนะนนะแล้วก็ไทยแต่ละคนบอกว่าตัวเองเนี่ยมีเรื่อง มีความรู้สึกที่ไม่ดีอะไรเกี่ยวกับตัวเองบ้างให้เลือกมาหนึ่งอย่างเอาเลือกมาอย่างหนึง่งบางคนก็บอกว่าไม่สวยบางคนก็บอกอ้วนไปบางคนก็บอกว่าเป็นคนขี้โกรธนะเอาแค่เลือกมาอย่างหนึ่งนะแล้วก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คุณนอนตาปกติอีกคนหนึ่งเนี่ยก่อนนอนเนี่ยให้ตั้งใจว่าจะไปตั้งใจให้กดข่มความรู้สึกนั้นความคิดนั้นเช่นคิดว่าฉันไม่สวยนี่ก็พยายามกดมันเข้าไว้ เสร็จแล้วพอพอผ่านไปคืนหนึ่งก็จะให้ทุกคนเขียนความฝันคนที่พยายามกดกลุ่มคนที่พยายามกดกดความรู้สึกที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยหรือความคิดที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยจะปรากฏว่ามันมันไปผลในความฝันมากกว่าคนที่ที่ที่ไม่ได้ถูกสั่งให้ให้ไปกดข่มความคิดนั้นนะมันไปโผล่ในความฝันนะยิ่งกดมันยิ่งโผล่ไม่ใช่ในยาปกติอย่างเดียวแต่ในความฝันด้วย เพราะนั้นเนี่ยการที่เราการที่เราการที่เราอยากจะผลักมันออกไปเนี่ยมันก็ทําให้เรามันทําให้เกิดการยึดอีกแบบหนึ่งนะยิ่งเกลียดยิ่งอยากนะยิ่งยึดเวลามือเราถูกของเหม็นนะถูก ปล า, ลาหรือน้ำปลาเนี่ยนะแค่นิ้วมือนิ้วมือเดียวก็ตามเนี่ยถ้าถูกยิ่งถ้าถูกของเหม็นมากๆเช่นขี้หมาหรือว่าเยี้ยวงเยี้ยวหนูเนี่ยนะมันฉุนมากเลยสิ่งจงแรกที่เราอยากทําคือเราก็จะล้างเราก็จะเช็ดล้างมือด้วยสบู่ด้วยแล้วก็ตามพอล้างเสร็จเราทํำยังไงเอามาดม ถามว่าชอบไม่ชอบแล้วเอามาดมทําไมใช่ไเสแต่แล้วก็ล้างใหม่ล้างใหม่เสร็จไม่ชอบจล้างเสร็จพอล้างสร็จก็เอามาดมอีกทีเราจะดมอยู่แล้วดมแล้วดมเล่าทั้งที่ไม่ชอบสิ่งที่เราชอบดมมีสองอย่างคือสิ่งที่หอมกับสิ่งที่เหม็นนะหอมนี่เราอยากอยากดมเหม็นนี่เราไม่อยากแต่ว่ามันยึดโดยไม่รู้ตัวมันยึดเท่ากันนะระหว่างของหอมกับของเหม็นเนี่ยจะยึดเท่ากันนะ นนเวลาปฏิบัติเนี่ยภูบาอาจาถึงเน้นว่าให้ดูมันเฉยเฉยคิดก็ดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างถ้าสัวคิดไม่ดีดนะนะแล้วไปวยพยายามไปกดข่มมันมันก็ยิ่งลบกวนจิตใจนะแล้วก็เลยยิ่งเครียดยิ่งยิ่งเครียดมากๆก็หงุดหงิดนะเราต้องฝึกดูมันเฉยเฉยดูมันด้วยใจที่เป็นกลางแล้วต่อไป ดูจนถึงขั้นว่าไม่ตัดสินด้วยว่ามันดีหรือไม่ดีเพียงแค่เห็นว่ามันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งเป็นสภาวะที่เป็นกลางๆเป็นธรรมชาตินะอันนี้ดูยากหน่อยถ้าไม่มีปัญญาก็จะดูยากนะใหม่ๆมันก็จะติดกับตัวการสมมุติว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เพียงแต่ดูมันเฉยๆนะอันนี้หละคือวิธีที่ทาให้เราเนี่ย เลิกนิสัยยึดนะแล้วก็อยากได้นะอยากเอาเข้ามาใกล้ๆอยากครอบครองหรืออยากผลักไสนี่ก็นำไปสู่การยึดเหมือนกันนะแล้วจคุณเราถ้าไม่ฝึกนะั้นมันจะยึดนะมันจะยึดสารพัดเลยโดยไม่รู้ตัวเสร็จแล้วก็ทุกเองนะ ถามมันยึดแล้วทุกไ์มทุกแต่ก็ทำไมถึงไม่ปล่อยก็เพราะมันลืมตัวความลืมตัวทำให้เรายึดสารพัดเสร็จแล้วเราก็ทุกเองการมีสติทำให้เรารู้ตัวขึ้นมาว่าเรายึดเมื่อเรารู้ว่าเรายึดมันก็จะปล่อยได้เอง คนที่ชอบเกรงขับรถจนเกรงนะกับรถขับรถจนเกรงนะที่มือที่ที่เท้าเนี่ยบางที่เกรงก็ไม่รู้ตัวนะแต่พอมีสติรู้ตัวเข้ารู้กายว่ามันเกรงก็คลายเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยอย่าว่าแต่เรื่องใหญ่โตคอขาดบาดตายเลยแมย้แต่เรื่องเล็กยึดเมื่อไหร่ก็มันก็กลายปเป็นเรื่องใหญ่เมื่อ น, นั้น ได้ยิ่งท้าวางไม่ได้เนี่ก็จะสะสมพอกผูดมากขึ้นจนกระทั่งเป็นทุก์แสนสาหัสมีนายทหารคนหนึ่งเป็นนาวาเอกเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วหกสิบกว่าปีแล้วสมัยที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์นะอันนี้ คราวที่แล้วเคยเล่าถึงองค์นี้ว่าเรื่องเรื่องแจากกัน ล, ลายครามจําได้ไหมไม่รู้เล่าให้กลุ่มที่ฟังหรือเปล่าเรื่องแจกกันหลายครามแต่นี้เรื่องห น, นึงน่งนะท่านเป็นพระที่แปลกๆนะถึงแม้จะเป็นเจ้าเป็นสังฆราชแต่ท่านก็มีมีวิธีการแปลกๆานายฐานคนนี้ก็มามาหาท่านเพราะเคยเป็นสิทธิ์บวชกับท่านที่วัดบวร สังกราตองนี้เนี่เป็นอุปชาของในหลวงองค์ปัจจุบันนะอามาห า, หาในทหารมาหาท่าทางไม่ค่อยดีเลยท่าทางหม่นหมองท่านก็ถามว่าเป็นยังไงพักนี้เป็นยังไงบ้างนายทหารที่บอกว่าหนักครับหนักช่วงนี้แย่มากเลยท่านก็ถามว่าหนักเรื่องอะไรเหรอข่าวนี้แหละ น า, ายฐานคนนี้ก็เล่าสารพัดเลยพรั่งพรูออกมาหมดปัญหาต่างๆปัญหางานการปัญหาในบ้านปัญหาครอบครัวสารพัดพูดยาวเลยนะตรนะงในภาษากรรมาธิกาชไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดอไม่ได้ไม่ทันได้แสดงความเห็นอะไรเลยแกพรั่งพรูกมานานทีเดียวท่านก็ฟังนะท่านก็ฟังเสร็จแล้วท่านก็บอกว่า พอพอนายทหารนัพูดจบเนี่ยท่านก็ไม่ได้แสดงความเห็นอะไรนะท่านก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้ทําอะไรสักอย่างนะอา้าวคุกเขา่าเอามือสองมือยื่นมาแบบมือมาแล้วท่านก็เอาเอ า, เอากระดาษเนี่ยกระดาษแผ่นนึงเนี่ยมาวางไว้บนมือเขาแล้วท่านก็บอกว่าอยู่นิ่งๆนะอย่าขยับนะอย่าไปไหนนะ เดี๋ยวฉันจะเข้าไปในตำหนักสักหน่อยรออยู่ตรงนี้นะอยอยากขยับท่านเขาก็รับปากว่าจะอยู่ตรงนี้แหละจะไม่ขยับแล้วท่านก็เสด็จเข้าไปในตำหนักห้านาทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้วสิบยี่สิบนาทีก็แล้วก็ยังไม่มาในทางคนนี้เนี่ยถือกระดาษในทานเนี่ยกระดาษแผ่นเดียวเนี่ย แต่ถือในท่านั้นพอถึงยี่สิบนาทีสาสินาทีเนี่ยเหนื่อยเลยนะมันเขาก็เริ่มเหนื่อยเริ่มเมื่อยนะเหงื่อเริ่มออกนะมือเนี่ยก็เริ่มสั่ น, นก็ล้อมือไหล่ท่านจะเสด็จมาทักทีพอท่านเสด็จมาถึงเนี่ยหลังจากหายไปพักใหญ่เลยท่านก็ถามว่าเป็นไงบ้างบอกหนักมากเลยครับเมือม่อยจนเมื่อยจนจะทนไม่ไหวยอยู่แล้วท่านก็ตอบว่าอา้า ถ้ามันหนักก็วางสิถ้าถือเมื่อยถ้าถืออย่างนั้นมันจะไม่เมื่อยได้อย่างไรนะนี่ท่านกําลังสอนนายฐานคนนี้นะกำลังสอนว่าแม้แต่กระดาษแผ่นเบาๆเนี่ยถ้ายึดหรือถือเมื่อไหลเนี่ยในที่สุดว่ามันก็กลายเป็นทุกข์กระดาษแผ่นเบา ๆ, ๆเนี่ยนะถ้ายึดหรือถือเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเนี่ยในที่สุดนก็กลายเป็นของหนักขึ้นมาได้ ท่านกาลังสอนว่าเนี่ยให้ปล่อยซะบ้างนะอย่าไปยึดอะไรต่างๆมากมายนะบางทีคนเราเนี่ยก็แปลนะเวลาทํางานก็นึกถึงทั้งนึกถึงที่บ้านแต่เวลาอยู่ที่บ้านก็นึกถึงงานนะเวลาทํางานก็ไม่มีก็ทํางานไม่มีความสุขพรนึกถึงที่บ้านนะแต่พออยู่กับลูกกับเมียแทนที่จะอยู่กับเขา อ, อย่าง อ, อย่างปกติก็ เป็นห่วงเรื่องงานเรื่องการถ้าเราเพียงแต่ทำงานแล้วก็อยู่กับงานเวลากลับไปอยู่ครอบครัวก็อยู่ครอบครัวตอนทำงานก็ไม่ต้องคิดถึงทางบ้านเวลาอยู่กับบ้านก็ไม่ต้องคิดเรื่องงานแค่นี้มันก็คลายความทุกข์คลายความกังวลคลายความหนักใจไปได้เยอะแล้วนะปัญหาของคนเราจริงๆเนี่ยคือการที่เราเนี่ยไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวาง ท, งทั้งๆที่รู้ว่า บา ง, งที่อาจจะรู้ว่าแบกหรือยึดเอาไว้ได้ซ้ำแต่คนจำนวน ม, มากก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันทำเป็นอาจินแล้วนะมันทำเป็นอาจินและความไม่รู้ตัวนี่แหละก็ทำให้เราไปเผลอแบกเผลอยึดสิ่งต่างๆมากมายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตแล้วก็เป็นเรื่องราวปัจจุบัน นายทารคนนี้เนี่ยแกอาจจะไม่ได้กังวลเรื่องอดีตเรื่องอนาคตนะแต่แกกังวลกับเรื่องปัญหาต่างๆที่มันส ะ, ส, ะสมพอกพูนมากมายอาจจะรวมถึงเรื่องหนี้สินด้วยนะแต่คนเราเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้จักนะใส่ใจอะไรไปเรื่องๆ อ, อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเวลาทํางานแล้วก็คิดแต่เรื่องงานใ้เรื่องหนี้สินก็เก็บไว้ก่อนนะ อพอกลับบ้านแล้วก็ค่อยมาคิดเออจะจัด ก, การเรื่องนี้เสร็ยังไงอันนี้ก็ถ้าทำอะไรเป็นเรื่องๆเป็นอย่างๆเนี่ยมันมันจะไม่ไม่ทุกข์เท่าไหร่แม้แต่เวลาเราทำงานการนะเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ต้องสนใจเป็นพรุ่งนี้มันก็จะช่วยเบาใจไปเยอะทำนอนที้การเวลาเราปฏิบัติทำอย่างที่แน่าไว้เราทำตอนนี้ให้ดีนะ ส่วนพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของพรุ่งนี้นะอย่าไปเอาเรื่องของพรุ่งนี้มาเป็นภาระทางใจให้กับวันนี้เราก็จะปฏิบัติได้อย่างมีความสุขเราก็จะอยู่ได้ด้วยความรู้สึกสบายสำคัญมากนะหลวงพ่อชาท่านพูดไว้ดีนะบอกว่าทุกมีเพราะยืดทุกยืดเพราะยาก ทุกมากพรปล่อยทุกน้อยเพราะทุกน้อยเพรปล่อยทุกน้อยพอหลุดทุกหยุดเพรปล่อยทุกมีพรยึดทุกยึดพรอยากทุกมากพรปล่อยทุกน้อยพรหยุดพรหลุดทุกหยุดเพรปล่อยทุกน้อยพรหลุดทุกหยุดเพรปล่อยให้ทุกน้อยพอหยุดทุกหลุดเพรปล่อยจำสองประโยชน์นี้ให้ได้ก็แรกๆก็ได้ก็ดีนะทุกมีพรยึดทุกยึดพรอยาก ให้คำว่ายึดกับยาดนี่สำคัญมากนะและอย่างที่บอกไว้แล้วว่าสิ่งที่เรายึดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราชื่นชมยินดีเท่านั้นสิ่งที่ไม่ชื่นชมยินดีเราก็ยึดและเร า, า จ, จะยึดมากกว่าสิ่งที่เราสิ่งที่ให้ความสุขกับเราด้วยซ้าอย่างนาวาในฐานคนที่ว่านี่แกก็คิดแต่เรื่องปัญหายึดแต่เรื่องปัญหาเนะี่ย สิ่งที่ดีๆคนไม่ค่อยยึด่าไหลายเราจะยึดแต่สิ่งที่ไม่ค่อยดีนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะอันนี้แกแกก็เล่าไว้ดีอยู่กับสามีมาสิบกว่าปีแล้วันหนึ่งก็พบว่าสามีเนี่ยนอกใจมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็โกรธมากเลยนะเพราะว่า เรียกว่าเธอใจให้กับผู้ชายคนนี้มาตลอดสิบกว่าปีพอรู้ก็โกรธรู้สึก ร, รู้สึกเลย ว, ว่าสิบกว่าปีที่ผ่านไปเนี่ยมันเป็นความสูญเสียเป็นช่วงเวลาดีๆของชีวิตเนี่ยสูญเสียหมดไปกับผู้ชายคนนี้โกรธมากอยากจะทําลายอยากจะทําร้ายแต่ก็หักห้ามใจไว้ได้ในทีสุดก็อย่ากันพออย่ากันก็แปลกนะแกก็รูวเออ แทนที่จะอ่าไลัยแทนที่จะโกรธผู้ผู้ชายคนนี้ก็สึกว่าสบายจิตใ จ, จสงบก็คิดว่าเป็นเพราะการปฏิบัติธรรมแกก็เข้าคอสปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยๆ่หลังจากเหตุการณ์หลังจากยาไปได้สักสามสี่เดือนแกก็ลางงานนะมาเข้าคอสปฏิบัติธรรมเจ็ดวันพรากว่ า, า, าปฏิบัติแค่วันแรกเท่านั้นแนะหละไอ้เรื่อง อดีสามีคนนั้นก็มันก็พลั่งพลูเข้ามารบกวนจิตใจผู้หญิงคนนี้มากบอกปฏิบัตินี่ไม่หาความสงบไม่ได้แลวจิตใจมันร้อนลุ่มวันที่หนึ่งก็แล้ววันที่สองก็แล้ววันที่สามก็แล้วนะที่เคยคิดว่าโอ้เธอทำใจได้เรื่องผู้ชายคนนี้ที่จริงไม่ใช่หรอกมันเพียงแต่ถูกซุกถูกซ่อนไว้อาจจะเป็นเพราะว่าเธอมีงานทาก็เลย ลืมลมเรื่องพวกนี้ไปแต่พอจิตใจมันว่างว่างไม่มีอะไรทําต้องมาเดินต้องมาเดินจงกรมมาตามลมหายใจพอจิตใจมันว่างเนี่ยมันก็ไปขุดคุยเรื่องพวกนี้เข้ามาแล้วก็พอนึกถึงเรื่องพวกนี้เราก็โกรธมากนะร้อนรุ่มใจไม่รู้ทํำยังไงดีนะพอถึงวันที่สี่นี่วันพรากว่ามีตอนหนึ่งแกเดินจงกรมเอามือเนี่ยประสานไว้ตรงข้างหน้าพอ ประสานไว้ในท่านั้นเนี่ยนานๆเป็นชั่วโมงเนี่ยมันก็เมื่อยพอเมื่อเธอก็ปล่อยมือปล่อยมือมันก็สบายเลยนะในช่วงขณะเองที่ทได้คิดขึ้นมาทันทีเลยว่าปล่อยมือไหลก็สบายเมื่อนั้นเป็นเพราะไปยึดเอาไว้เป็นเพราะไปไปไปถือเอาไว้เนี่ยมันมันมันก็เลยเมื่อยบอกบว่าพอปล่อยมือเนี่ยมันไม่ใช่แค่สบาย กายอย่าสบายใจด้วยรู้สึกว่าสิ่งทั้งปวงที่แบกเอาไว้ในใจเนี่ยมันหลุดไปเลยเพราะเธอไม่ได้คิดว่าที่เธอทุกเนี่ยเพราะเธอไปยึดเองเรื่องเรื่องในอดีตผ่านไปนแล้วแต่ว่าเธอไม่ยอมปล่อยเธอไปยึดโดยที่ไม่รู้ตัวนะคือเก็บเอามาคิดเก็บเอามาคิดวนไปวนมานั่นแหะไม่รู้ตัวมารู้ตัวตอนที่ปล่อยมือแล้วว่าสบายเพราะปล่อยมือแล้วสบายเนี่ยมันก็ได้คิดแล้ว่าอ๋อมันทุกเพราะยึดนั่นเอง นะใจมันยึดเอาไว้นะพอปล่อยมื อ, อ, มอกายสบายก็รู้เลยว่าถ้าปล่อ ย, อยที่ใจใจก็สบายด้วยมั น, มนความรู้ที่มันเกิดขึ้นทันทีแล้วก็ปล่อยทันทีเลยสติเกิดขึ้นอย่างฉับพลันพอสติเกิดขึ้นฉับพลันที่มันหลุดเลยนะวางอย่างสิ้นเชิง แล้วมันจะมันจะมันจะสบายทันทีเลยนะเมื่อคนที่แบกของหนักไว้ทันทีที่ปล่อยแม้ของที่ปล่อยยังไม่ทันจะตกพื้นเลยแต่พอปล่อยจากมือเนี่ยสบายทันทีนะอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้เหมือนกันพอเธอปล่อยจากปล่อยเรื่องของสามีออกไปจากใจนี้มันสบายแล้วเธอก็ได้คิดแล้วว่าเนี่ยปล่อยเมื่อไหร่ก็สบายเมื่อนั้นมันก็แปลกนะคนเราทุกทุกเป็นวันๆโดยที่ไม่รู้ว่า คุกเพราะไปยึดเอาไว้อันนี้ก็เพราะลืมตัวคือมันไปนไปไ ป, ไปพันตูกับเรื่องราวในอดีตนี่ยนะพอไปพันตูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับนักมวยนะพอพอคลุกวงในแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วล่ะมันก็จะคิดแต่จะจะต่อยจะตู้อย่างเดียวนะหน้ามืดนะแต่พอมีสติขึ้นมาก็รู้ว่าเฮ้ พันตูไปทําไมนะถอยออกมาดีกว่าสบายกว่าเยอะแต่คนเวลาน้ามึดนก็ทําได้ทุกอย่างนะสามารถทําร้ายใครก็ได้หรือสามารถที่จะทําสิ่งที่อันตรายก็ได้นี่เพราะความลืมตัวเพราะนนั้ความรู้ตัวสําคัญมากนะเพราะถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราลืมตัวเนี่ยเราก็จะทําเราก็จะยึดเราก็จะหยาแล้วเราก็จะทําอะไรต่อและสารพัดที่สร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเอง วานนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยให้เราพิจารณาดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนหนึ่งเขาไม่ได้ทำให้เรานะเราทำเองหรือถ้าพูดถูกก็คือว่าไอ้ความไอ้อุปทานนี่แหละจิตที่มันมีอุปทานนี่แหละที่ทให้ทุกข์นะแต่ถ้าเกิดมีสติขึ้นมาเนี่ยสติมันก็ทำให้อุปทานเนี่ยหายไปก็ปล่อยวางได้ความรู้ตัวกลับคืนมาก็การทาร้ายจิตใจตนเองก็หมดไป เอานะก็กคำนี้ก็พูดกันเทนนี้อ่ะกลับภัก